สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงพงศษัตรหนึ่งพงศษัตร์บทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าโชรลมอนทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งปวงข้าราชการคนสำคัญของโชรลมอนได้แก่อาซาริยาบุตรสาโดกเป็นปูโรหิต เอลีโฮเรบและอาฮิยาบุตรชิชาเป็นราชเลขาเยโฮชาฟัดบุตรอาหิลูดเป็นอาลักษ์เบนัยาบุตรเยโฮยาดาเป็นแม่ทัพสาโดกและอาบิยะธาเป็นปุโรหิตอาซาริยาบุตรนาธันดูแลข้าหลวงประจําเขตสาบุตรบุตรนาธันเป็นปุโรหิตและราชมนตรีอาหิชาเป็นเจ้ากรมวัง อาโดนิรัมบุตรอับดาเป็นผู้ควบคุมแรงงานโยธาพี่น้องครับนี่คือรายชื่อข้าราชการคนสำคัญของกษัตริย์โซโลมอนเราจะเห็นได้ว่าโซโลมอนนั้นได้จัดการบริหารประเทศอย่างมีระบบระเบียบโดยมีข้าราชการคนสำคัญถึง11คนในที่นี้รับผิดชอบงานโดยเฉพาะและยังมีข้าหลวงประจำเขต หรือเรียกว่าเป็นดิส t ริกต์ก v เวเนอร์อีก12คนเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนดูแลค่าหลวงเหล่านี้แต่ละคนก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างเฉพาะเจาะจงพูดง่ายๆก็คือมีจ o อบ e s สคริปชันนั่นเองและก็มีพื้นที่ทำงานครับก็มีพื้นที่ในการบริหารจัดการระบบนี้ มีความจำเป็นในด้านการบริหารประเทศชาติครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าสติปัญญาของโซโลมอนที่ได้รับจากพระเจ้าในการบริหารประเทศนั้นต้องถือว่าเยี่ยมยอดมากครับเพราะว่าเวลาที่ท่านทำ organization chart เรียกเป็นภาษาไทยนะครับว่าเป็นแผนผังการบริหารองค์กรก็คือระดับประเทศในระดับประเทศนั้นถ้าในสมัยนี้ก็จะเทียบเท่ากับเป็นกระทรวง กระทรวงที่สำคัญในสมัยโบราณของไทยก็คือกรมหรือกระทรวงเวียงกรมวังหรือกระทรวงวังกรมคลังหรือกระทรวงการครลังและก็กรมนาหรือกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับแผ่นดินพื้นที่ต่างๆพี่น้องครับนี่คือ 4. กรมหรือ4่กระทรวงที่มีความสาคัญในสมัยโบราณของไทย ในสมัยนี้เราก็อาจจะมีกระทรวงที่มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าจะได้บริหารจัดการได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและละเอียดยิ่งขึ้นในสมัยโบราณของกษัตริย์โซโลมอนนั้นคําว่าปุโรหิตก็คือแปลว่ามหาปุโรหิตครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการศาสนาต่อไปก็จะเป็นราดเลขาราชเฉลขานั้นก็มีหน้าที่ที่จะ ดูแลเอกสารทางราชการนะครับเ็า mm hmm. เรียกว่า official documents การดูแลเอกสารทางราชการนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะว่าจะต้องมีการจดบันทึกการบริหารราชการของบรรดาขสัตว์และบรรดารัฐมนตรีประจำกระทรวงในขณะเดียวกันครับเขากจ็จะต้องเป็นราชเลขาของพระเจ้าแผ่นดินด้วยเหมือนกันโซโลมอนนั้นมี secretary หรือเลขา นะครับเพื่อที่จะทํางานติดตามผลและก็ประเมินอะไรต่างๆในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์แล้วก็ยังมีพวกอารักษ์ครับอารักษ์นั้นก็จะเป็นคนที่จดบันทึกจดบันทึกถึงสิ่งต่างที่เกิดขึ้นประจําวันก็เรียกว่าเป็นไดอารี่นะครับของราชนาจักรของโชอลามอนเลยทีเดียวบันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายในเหตุการณ์ภายนอกนะครับคนเหล่านี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับกระทรวงมหาดไทยในสมัยนี้นะครับและก็ยังมีกระทรวงกลาโหมครับก็คือเป็นแม่ทัพโดยมีเบนายาบุตรเยโฮยาดาครับแล้วยังมีการแต่งตั้งอาซาริยาบุตรนาธันไปดูแลพวกข้าหลวงประจำเขตนั่นหมายว่าเป็น ข้าหลวงข้าราชการระดับล่างลงไปที่จะเป็นการกระจายอํานาจต่อไปในขณะเดียวกันครับก็จะมีสาบุตรเป็นปุโรหิตและราชมนตรีคําว่าปุโรหิตนี้ไม่ได้หมายความถึงมหาปุโรหิตนะครับแต่เป็นใล้ยๆกับที่ปรึกษาส่วนตัวทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายศาสนาและราชมนตรีราชมนตรีก็เป็น advisor ครับเป็นที่ปรึกษาคนแนะนํา คนนี้จะต้องเก่งมากครับชื่อสาบุตรในขณะเดียวกันครับก็ยังต้องมีกระทรวงแรงงานที่คอยดูแลแรงงานที่ไม่ได้เป็นคนอิสราเอลเพราะว่าพวกนี้ถูกเป็นแรงงานที่ถูกซื้อมาหรือเป็นทาสหรือจะเป็นคนที่แพ้สงครามตั้งแต่ในสมัยของเสด็จพ่อคือกษัตริย์ดาวิดจะต้องมีคนที่ไปดูแลควบคุมแรงงานโยธาเหล่านี้ด้วย ดีนะครับเราจะเห็นว่าการทํา organization Char ตหรือการวางแผนผังการบริหารจัดการในองค์กรของโซมอนนั้นก็เป็นไปตามความต้องการจําเป็นนะครับเป็นไปตามนิดของประเทศชาติในสมัยนั้นเราจะเห็นว่าสติปัญญาเหล่านี้ครับเป็นสติปัญญาที่เรียกว่าเป็นสติปัญญาฝ่ายโลกในขณะเดียวกันครับก็จะต้องมีฝ่าย ศาสนาหรือทางฝ่ายธรรมด้วยธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติใดก็ตามก็จะต้องมีพิธีการทางศาสนามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการบริหารจัดการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองควบคู่กันไปอันนี้เขาเรียกว่า t a t e กับ Church นะครับรวมกันเป็นหนึ่งในขณะที่ในสมัยปัจจุบันนี้จะไม่รวมกันครับ เขาจะแยกกันเขาจะต้องแยกสเต e กับ church ออกมาไม่รวมกันสเตทคือรัฐะเชิร์คือคริสตจักรเพียงครับเราจะเห็นว่าศาสนากับการเมืองนั้นความจริงแล้วน่าจะรวมกันถ้าหากว่าคนมีศีลธรรมมีพื้นฐานที่ดีแต่ในสมัยนี้รวมกันไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าคนเรานั้นในด้านศีลธรรมก็เสื่อมซลง พี่น้องครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงวางรากฐานการปกครองแผ่นดินของพระราชาก็คือจะต้องมีมหาปุโรหิตคอยกากับเรื่องศาสนาครับแล้วมหาปุโรหิตเนี่ยก็เหมือนกับเป็นราชาของฝ่ายสงฆ์ครับเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องจิตปัญญาของประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าในสมัยนี้จะเปรียบเทียบกับใคร ก็คงจะหาที่เปรียบยากใช่ไหมครับเพราะว่าราชาฝ่ายสงฆ์แทบจะไม่มีบทบาทในการปกครองบ้านเมืองเลยครับพี่น้องครับ<อ>บทเรียนในวันนี้ก็คือว่าเราแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นผู้บริหารครับเป็นผู้บริหารในทุกๆระดับบางคนบอกว่าฉันไม่มีอานาจบริหารฉันไม่มีตำแหน่งแต่แล้วทุกคนต้องบริหารจัดการชีวิตของเรา เราทุกคนต้องบริหารจัดการครอบครัวของเราองค์กรของเราชุมชนของเราเป็นลำดับนะครับแตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งต่างๆที่สำคัญก็คือเราจะเห็นได้ว่าประเทศชาติใดก็แล้วแต่ชุมชนใดก็แล้วแต่องค์กรใดก็แล้วแต่จะต้องมีศาสนามาเกี่ยวข้องครับผู้คนจะต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจาใจมันจะทาให องค์กรของเราสามารถที่จะเดินก้าวหน้าไปได้อย่างเจริญรุ่งเรืองและรุ่งโรดหากประชาชนไม่มีศาสนายึดเหนี่ยวไม่มีคุณธรรมประจำใจยึดเหนี่ยวไม่มีพระเจ้ายึดเหนี่ยวองค์กรนั้นชุมชนนั้นและประเทศชาตินั้นก็จะไร้ซึ่งคุณธรรมไร้ซึ่งความรักของพระเจ้าไร้ซึ่งความยุติธรรมความชอบธรรมและนี่คือเป็นเหตุที่ทาให้โลกเราทุกวันนี้ ก็เสื่อมซ้มลงเรื่อยๆแม้ว่านวัตกรรมใหม่ๆแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาวกาศวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเอื้ออำนวยต่อปัจจัย4แต่สิ่งที่สำคัญครับก็คือว่าจริยธรรมคุณธรรมประจำใจของคนเรานั้นก็ลดลงนั่นคือปัญหาใหญ่ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์หรือที่เรียกว่า Human Resource ในครอบครัวนั้นพ่อแม่ก็เป็น HRD ของครอบครัวคำว่า HRD นั้นมาจากคำว่า Human Resource Development เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้อง develop หมายความพัฒนาตัวเองในด้านของจริยธรรมคุณธรรมเพื่อที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของครอบครัวของชุมชนขององค์กรและของประเทศชาติในที่สุดเราจะต้องเน้นให้องค์กรของเราครอบครัวของเรา เลือกพระเจ้าก่อนให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเมื่อเราทํำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามลำดับความสําคัญแล้วพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าการอวยพรจากสวรรค์จะมาถึงชีวิตของเราและครอบครัวงเราองค์กรของเราหน่วยงานของเราอย่างแน่นอนอาเมน